ากเสียความคิดเเก็บรูความคินะนดน่ะหาที่มันเป็นผู้สผู้สอคนที่ได้อารมณ์ประมาทิแล้วหมายถึงความรู้สึกตัวมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะนะว่าไปเกินยี่บห้าเปอร์เซ็นตขึ้นนะแต่ว่าถ้า5้าสิเปอร์ซ็นขึ้นเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยความรู้สึกตัวมันมันสัมผัสได้นะอารมณ์ปรมาทเนี่ยคำว่าประมาทิหมายถึงว่ามันรู้เองนะไม่ต้องพยายามกระตุ้นมันก็ได้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 แล้วมันกลายเป็นนิสัยไปซะและตอนนั้นวิธีการของ่วเทียนเนี่ยท่านให้สังเกตการเคลื่อนไหวแบบสบายๆนะคือไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องบังคับคือความเพ่งความจ้องตั้งใจเกินไปมันเป็นตันหาชนิดหนึ่งคือความอยากชนิดหนึ่งมัามันก็ไปสอนคือความอยากอยากดีอะอยากดีอยากให้มันได้เยอะๆอยากให้มันชัดอยากให้มันนิ่งอยาให้มันสงเป็นความอยากนะมันก็เลย อางี้ก็เปลีปลปล่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกระทอารมณ์ก็ดีแล้วเนาะแต่ว่าหมายความตัวนี้ระวังจิตเป็นกลางเป็นแล้วงั้นเถอะก็ทําแต่ทําให้มัน ส, ส, สบายๆนะเมื่อต้องทําด้วยความอยากทําให้ให้สังเกตความสบายมันมีอยู่แล้วทุกคนน่ะแต่ว่าด้วยความอยากที่เรามันเป็นนิสัยเก่าแก่จิตละมาลายพบหลายชาตินี่นะมันก็ดไม่ได้ที่จะไปตั้งใจอยากเพราะฉะนั้น ลองดูดีๆในี่ยร่างกายของเราเนะี่ยมีหนักมีเบาเราจะเลือกอะไรมีสบายไม่สบายเราจะเลือกอะไรมีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งเราจะเลือกอะไรก็เลือกเอาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดตัวสติสัเนายนี้อย่างถูกต้องนะมันเลือกไม่เป็นมันเข้าไปสู่ในของความอยากก็เป็นนะเป็นธรรมระวิเศยโอเคถูกต้องแล้วนะจะทำต่อไปาส่งไปให้เนอน็อตนะปัญหาสุดท้ายในอน็อต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 เป็นกลางๆมันไม่คิดแต่ขณะเดียวมันขณะเดียวกันมันก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านั้นใช่ไหมมันมันเหมือนมันไม่ตื่นเพราะตอนหลวงพ่อมาปุ๊บมันตกใจเดิมๆปกใจแบบรู้แค่ว่าอ่าก็จะใจน้อยใจน้อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเพ่งนปัจจุบันดูลักษณะสงบนะทำไปนานๆเนี่ย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 อ๋อแบบบบ่บานะครับอ๋อแล้วก็คงในช่วงที่เราตั้งใจเกินเนี่ยบางทีมันเข้าไปลึกเลยนะเข้าไปถึงปวดหัวเลยเหรอบางครั้งอะ่ะมันมันเน้อสึกแบบตึง<ะ>ตึงตงครับผมแล้วอกว่าลูกๆอะไรมันก็หายไป <laughs> ล้วแต่วนนีมาใหม่แบบปกิถ้าเราทำสบายๆอย่างถูกต้อง้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 พอไปนั่งนานเข้ามันก er ็สงบมากขึ้นอีกมันเลยลึกไปนะถอดออกมาหน่อยหนึ่งทานานๆก็พล okay <Yeah. S 1> um, <the> ิกเนี่อ uh, พ uh uh. hmm, so ิกตัวนี่เล่นนั่งนิ่งทั้งหลายหชั่วโมงนะมันเข้าไปลึกเคลนไปนะโอเคนะความเออเออ่า้กิดเป็นเรื่องหนรตมจะยาวนอันหนงยาวอ๋อถ้าเผือก็ไปยาวเหมือนกันใช่มยาวมเรื่องอาระตน่เออ